อย่าแตกสามัคคีกันในลูกหลานเถิถ้าแตกสามัคคีกันแล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ชาติศาสนาพระมห า, ากษัตริย์จะอยู่ได้ก็เพราะลูกหลานรักกันทางตอนหน้าลอบหลังไม่คิดจะแตกจะแยกกันบ้านเมืองอยู่ดีกินดีสบาย ใจกันทองสองทางกูก็บอกมึงได้แค่นี้แหละ